เรื่องคนไม่มีจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีจีวรอุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เปลือยกายเที่ยวบินทาบาทมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามพผนธนาว่าเที่ยวบินทาบาทเหมือนพวกเดรธีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีจีวรไม่พึงให้อุปสมบท ร, รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอบวดทุกกฏวงเล็บ17